คำพีพุทธวงศ์เนี่ยนะต่อจากครั้งที่แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะผู้สูงสุดในเนรชนอันหมู่พรมเนี่ยทอัญชิีทูลวอนข อ, อคือขอร้องอาราธนานิมนต์ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยแสดงธรรมพระองค์ก็เกิดพระมหากรุราขึ้นโดยเพียงทาโอกาสในสัตว์ทั้งหลายคือ เมื่อจบหรือเสร็จสิ้นคำราตนาของพรมเนี่ยนะพระองค์ก็มีพระมหากรุณาเกิดขึ้นพระองค์นั้นผู้มีกำลังแห่งพระกรุณาเนี้ยผุดขึ้นในสมัยนั้นน่ะกรุณาที่เกิดขึ้นนั้นกาหนดประมาณไม่ได้เป็นพระมหากรุณาที่หาประมาณไม่ได้เพราะทรงสดับคําวอนขอของเท้าสามบดีพรหมนั้นพระองค์ผู้ทรงมีพระกาลังสิบ ส่งสำรวจด้วยพระมติอันละเอียดในการทรงทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้นั้นด้วยพระมหากรุณาที่พระองค์มีต่อสัตว์ทั้งหลายเมื่อฟังคำอาราธนาจากเท้ามหาพรหมซึ่งใจความโดยสรุปทวนอีกครั้งว่าเท้ามหาพรหมอาราธนาว่าแต่ก่อนในแคว้นมคธเนี่ยนะได้ปรากฏมีธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งชนพวกมีมนทินเนี่ยพากันคิดเอาไว้ ขอพระองค์ทรงเปิดประตูอมตนครเถิดขอสาธุทั้งหลายจงสดับธรรมะที่พระองค์ผู้ทรงหมดมนทินตรัสรู้ชนผู้อยู่บนยอดภูเขาศิลาเพิ่งเห็นประชุมชนโดยรอบฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปรีชามีพระเนตรคือปัญญาโดยรอบขอพระองค์ผู้ปราศจากความโศกโปรเดเสด็จขึ้นปราสาทที่สาเร็จด้วยธรรมซึ่งมีอุปมาฉันนั้น ทรงตรวจดูประชุมชนผู้ระงมด้วยความโศกถูกชาติชราครอบงำข่าแต่พระองค์ผู้ทรงทำความเพียรทรงพิชิตสงครามผู้นำหมูสัตว์ผู้หากิเลสม่ได้โปรดเสด็จลุกขึ้นจาริกโปรดสัตว์ในโลกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงสแสดงธรรมเถิดผู้รู้ทั่วถึงจักมีอยู่จากคำราธนาของพรหมคานี้ อันนั้นือว่าเป็นเหตุใกล้แห่งมหากรุณาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีกรุณาเนี่ยผุดขึ้นโดยกรุณาที่พระองค์เนี่สะสมมาตลอดสี่อสงไขยิ่งด้วยแสนกับเนี่ยนะกรุณาเหล่านั้นก็ผุดขึ้นเป็นกําลังแห่งกรุณาหาประมาณไม่ได้นันกรุณาก็กระตุ้นเตือนเนี่ยนะให้น้อมไปเพื่อที่จะช่วยเหลือหมู่สัตว์ทั้งหลายท่านพระองค์ก็เลยพิจารณาว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลาย เรารู้การอาราธนาของเท้าสามบดีพรมและอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงได้ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุที่สำเร็จด้วยอินทริยะโปรปริยติยานและอาสยานุสยายานก็เห็นเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสดุจธุรีในดวงตาน้อยก็มีผู้มีกิเลสดุจธุรีในดวงตาเนี่ยมากก็มีคือชนผู้ที่มีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา ชนเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ห้าชนเหล่านั้นทุลีในดวงตาน้อยชนเหล่าใดไม่มีศัตธาวิริยาสติสมาธิปัญญาชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้มีทุลีในดวงตามากสัตว์ทั้งหลายี่เป็นผู้ที่มีอินทรีย์แกกลากก็มีผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนก็มีผู้ที่มีอาการดีก็มีผู้ที่มีอาการชั่วก็มีผู้พอจะสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มี สอนให้รู้ได้โดยยากก็มีมีทั้งพวกสอนง่ายมีทั้งพวกสอนยากบางพวกมีปกติเห็นโทษและภัยในปรโลกบางพวกก็ไม่เห็นบางพวกนี้เห็นโทษในวัฏฏะอย่างแรงกล้าชนผู้จะตรัสรู้นั้นเปรียบเหมือนในกออุบลกอปทุมหรือกอบุญทริกดอกอุบลดอกปุมดอกบุญทริกบางดอกเกิดในน้าเจริญในน้าอยู่กับน้าจมอยู่ภายใต้น้าอันน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้ บางดอกเกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่กับน้ำตั้งอยู่เสมอกับน้ำเพราะว่าบัวปริ่มน้ํานี่นะบางดอกก็เกิดในน้ำเจริญในน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้วก็ตั้งอยู่น้ำซึมซับเข้าไปไม่ได้ชั้นใดขณะที่เราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุก็ได้เห็นเหล่าสัตว์ฉะนั้นบางพวกก็มีกิเลสดุจธุลรในดวงตาน้อยบางพวกก็มีกิเลสดุจธุรในดวงตามาก บางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการซามหรือมีอาการชั่วบางพวกพอจะสอนให้รู้ได้โดยง่ายบางพวกให้เรียกว่าสอนให้รู้ได้โดยยากบางพวกมีปกติเห็นโทษและภายในปรโลกเนี่ยนะอาศัยกรุณาก็ตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายพนพระธรรมสังคีติกาจาร์คือพระนนท์เป็นต้นเนี่ยนะผู้เรียบเรียง ถ้าทำในคราวสังหิยนากล่าวว่ากล่าวถึงเมื่อแสดงความเกิดแห่งพระกรุณาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าความมีพระกรุณาในสรรพสัตว์เกิดแด่พระตถาคตผู้มีวิชาและจารณะพรักพร้อมแล้วพระองค์ผู้คงที่ผู้ทรงความรุ่งโรจน์ทรงพระกายครั้งสุดท้ายไม่มีบุคคลจะเปรียบปานได้ ซึ่งเป็นคําที่สรรเสริญยกย่องพระพุทธคุณทั้งหลายอันในพุทธวงศ์เนี่ยนะหน้า40ที่บอกว่าพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะสัมปันนะวิชาจารณะศาสตร์เนี่ยนะผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะปกติสัมปันนะที่แปลว่าสมบูรณ์สมบูรณ์มาจากคําว่ามีหลายความหมายนะเช่นปริปุณนะสัมปันนะสมังค์ขีสัมปันนะนนะหรือว่ามัธุระสัมปันนะ สัมปันธในตระไตรปิฎกเนี่ยนะโดยอัฐยาใ ห, ใหญ่มีอยู่สอย่างคือ 1. ปริปุณะสัมปันธนะ์แปลว่าบริบูรณ์เช่นนาเข้าที่บริบูรณ์อย่างที่สองก็สมังคีก็คือพรั่งพร้อมเนี่ยนะสมังคีนะก็คือพรั่งพร้อมหรือถึงพร้อมนั้นคาว่าพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะหรือผู้พรั่งพร้อมผู้พรักพร้อมด้วยวิชาและจารณะ พระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยวิชาเนี่ยนะพรั่งพร้อมด้วยจารณะหรือพรั่งพร้อมด้วยวิชาและจารณะเนี่ยเป็นอย่างไรคำว่าวิชาเนี่ยนะวิชานั้นมีความหมายว่าเจาะแทงเจาะแทงทะลุทมที่เป็นฆ่าศึกหรือที่เรียกว่าทําลายฆ่าศึกเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่ทําลายความมืดฉะนั้นหรือชื่อว่าวิชาพระอัฏฐาว่า ทำให้รู้เนี่นะทำให้รู้หรือเชื่อ ว, วิชาพระธรรมวควรได้โดยศัพท์นั้นวิชามีวิชาสามก็มีวิชาแปดก็มีอย่างวิชาสามก็มีในพยเพระวสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตอย่างวิชาแปดก็อยู่ในอภัตตสูตรบอกว่าความจริงในอภัตตสูตรนั้นท่านทําอภิญยาหกบวกกับวิปัสสนาญาณและมโนมยิทธิ รวมกันเรียกว่าเป็นวิชา8เนี่ยนะวิชา8ถามว่าอภิญญาหกมีอะไรบ้างก็คืออิทธิวิธีเนี่ยนะแสดงฤทธิ์ได้ที่โสตะมีหูทิพ ป, ปุเพนิวาสานุสติยานแลลึกชาติได้เจโตปริย า, ยานก็รู้ว่าราจิตของสัตว์อื่นที่ประจักษ์ขูยานก็คือมีตาทิพแล้วก็มีวิปัสนาญาณมีมโนมยิธิ มโนโมยิทิคือเนรมิตรรูปที่สำเร็จด้วยใจแล้วก็สุดท้ายอาสวะคยายานเนี่ยนะทั้งหกประการรวมกันรเรียกว่าวิชาปดเนี่ยนะวิชาแปดก็คืออภิน ญ, ญาหกบวกวิปัสนาญาณแล้วก็บวกมโนมยิทธินั่นแหละพระองค์นั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาเนี่ยนะโดยเฉพาะวิชาเน้นพิเศษคือวิชาแปดบอกว่าพระองค์มีอิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้โดยประการต่างๆเช่น มุดลงไปในแผ่นดินเหมือนมุดลงไปในน้ำก็ได้นะหรือว่าเดินบนน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เดินไปในช่องภูเขาเป็นต้นก็ได้หรือที่เรียกว่าเหาะนะเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้เนรมิตทำคนเดียวให้เป็นร้ายคนก็ได้ทำร้ายคนให้เป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายก็ได้เรียกว่าหายตัวก็ได้ปรากฏตัวก็ได้อันนี้เรียกว่าอิทธิวิธีพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ มีวิชาคือพระองค์นั้นมีฤทธิ์ทีนี้ต่อไปพระองค์ยังมีที่ผโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตธาตุสามัญทั่วไปก็คือฟังแม้แต่เสียงที่อยู่ไกลขนาดไหนก็ได้ไม่มีอะไรที่จะกำบังเสียงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนับตั้งแต่เสียงสัตว์นรกจนถึงเสียงแห่งพรห ม, มโลกหรือแม้กระทั่งว่าในจักรวาลอันหาที่สุดมิได้ พระองค์เปิดสองจะฟังเสียงเหล่าใดพระองค์ก็ได้ยินเสียงเหล่านั้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือทิ่พระโสดาทส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์มีวิปัสนาญาณเนี่ยนะมีวิปัสนาญาณก็คืออ น, นิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาญาณเป็นต้นนั่นเองพระองค์มีมโนมยิทธิก็คือเนรมิตเรียกว่าเนรมิตรูปอื่น เช่นว่าอย่างพระจูลบันทกเนี่ยนะเนรมิตรูปให้ออกมาเป็นเป็นร้อยเป็นพันรูปก็ได้เนี่ยนะนั้นพระองค์ก็สามารถทำพระพุทธเนรมิตรขึ้นมาได้อย่างเช่นที่ในเดี๋ยวจะมีข้างหน้าคือถ้าพระองค์เดินพระพุทธเนรมิตรจะนั่งจะนั่งจะยืนจะบันทมเป็นต้นคือพระองค์เนรมิตพร ะ, ะพระองค์เองเนรมิตรพระพุทธเนรมิตรขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสาเร็จด้วยมโนมยิธิ หรือพระองค์นั้นมีปุปเพนิวาสารุสติยานก็คือระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากเนียนะชาติหนึ่งเรียกว่าระลึกได้เป็นนั่นแหละสีอสงไขยแสนกับหรือเกินกว่านั้นก็ได้สุดแท้แต่ตามที่พระองค์ประสงค์ประสงค์แก่ระลึกเท่าใดก็รู้เท่านั้นแล้วพระองค์มีเจโตปริยานเนี่ยนะรู้วาระจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยอาการบหว่า สมมติโดยหลักการก็คือจิตมีราคาจิตปราศจากราคาเป็นต้นเรียกว่าจิตสิประเภทในจิต16ประเภทในสรรพสัตว์ในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้สามารถที่จะสำรวจตรวจตราดูสภาพจิตเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์และพระองค์ก็มีตาทิพย์นี่นะมีจักขุมมีตาทิพย์เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าผงเล็กนิดเดียวเนี่ยนะพระองค์ก็มองเห็นผงเหล่านั้นจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลขนาดไหนก็เห็น ว่ากันเถอไม่ต้องพูดถึงว่ารูปแม้กระทั่งรูปพรหมที่ว่าละเอียดพระองค์ก็มองเห็นได้นะก็คือเห็นสามารถเห็นรูปของสัตว์ตั้งแต่ไล่ถึงสัตว์นรกไปจนถึงสัตว์ในระดับพรห ม, มโลกในภพที่มีรูปทั้งหลายคือที่ใดมีสีที่นั่นพระองค์เห็นได้หมดครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหละ<ม>ด้วยอำนาจที่พจักรคูยานของพระองค์สุดท้ายพระองค์มีอาสวัคคยายานก็คือมี มัคคยานนั่นเองมีมัคคยานที่แทงตลอดอริยสัจทำอาสวะไขทั้งหลายให้สิ้นไปพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาวิช า, นน ว, ชานนวิชาทั้ง8ประการวิชาสามหรือวิชา8แต่เราทั้งหลายโดยมากคุ้นเคยกับวิชาสามคือระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตย์ตายแล้วก็ทำอาสวะให้สิ้นวิชาสามเหล่านั้นถ้าบวกกับอะไรวิปัสสนาญาณบวกมโนมยิทีบวกหูทิพ บวกรู้วารจิตของศาตว์อื่นบวกอาสวัขยายานก็เป็นวิชาแปดนั่นแหละวิชาแปดนะวิชาสามวิชาแปดมีอยู่ในพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าวิชาหรือปัญญาเหล่านี้สุดแท้แต่ความประสงค์ประสงค์จะอยู่ด้วยวิชาเหล่าใดก็วิชาเหล่านั้นก็จะแจ่มแจ้งแก่พระองค์เพราะว่าวิชานี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างคือพระองค์นี้เป็นผู้ที่สว่างอยู่แล้วนะน้อมไปเห็นสิ่งใดก็ ก็เห็นได้น้อมไปรู้สิ่งใดก็รู้ได้พระองค์ประสงค์จะรู้หรือไม่เท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าวิชาต่อไปจรณะเนี่ยนะจรณะนั้นโดยทั่วไปแปล ว, ว่าความประพฤตใช่ไหมหรือว่าคุณธรรมที่เป็นเหตุให้ประพฤตบุคคลผู้ประพฤตตามจารณะเหล่านี้แล้วเนี่ยนะย่อมไปสู่ทิศอันไม่ตายคือพระนิพพานจารณะนั้นโดยธรรมดาแล้วจรณะมีสิบห้าเนี่ยแหละธรรมะ 15เรียกว่าจารณะเป็นธรรมที่เรียกว่าประพฤติ15มีอะไรบ้างศีลสังวรศีลสังวรก็คือความบริสุทธิ์ทางกายความบริสุทธิ์ทางวาจารวมทั้งอาชีพด้วยเรียกว่าศีลสังวร อ, อย่างที่สองอินทรีี์สังวรก็คือความคุ้มครองทวารในอินทรทั้งหายก็เหมือนกับว่าปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้บาปอากุศลไหลเข้ามา อย่างที่สพระองค์รู้จักประมาณในโภชนะเนี่ยนะรู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นต้นพระองค์มีชาคริยานุโยคมีความประพฤติในการตื่นตัวแล้วก็จริงๆพระองค์ก็เป็นคนนิตตื่นมากด้วยแต่ก็ไม่ใช่ตื่นแต่ร่างกายจิตใจของพระองค์ก็ตื่นจากบาปประทำตื่นจากนิวรรนเพราะไม่มีกิเลสนิทานหลับอยู่เลยว่างั้น มันไ ม, ไม่ได้หลับไหลด้วยอำนาจบาปและอากุศลธรรมทั้งหลายพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีความตื่นตัวอยู่ตลอดในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่พระองค์มีสัตยธรรมอีกเจ็ประการคือมีศรัทธาบริบูรณ์ด้วยศรัทธาบริบูรณ์ด้วยฮีริบริบูรณ์ด้วยโอตตะ ป, ปะพาหุสัจเป็นผู้ปรารจกความเพียรและเป็นผู้มีสติตั้งมั่นความเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญา ธรรมะเประการนี้เรียกว่าสัตทธรรม7เนี่ยนะสัตทธรรม7ก็คือสัทธานิริโอตตปปาภะโหุสัจจะวิริยะสติและปัญญาจริงก็ถ้าสังเกตดูให้ดีก็คืออินทรีย์5บวกนิริโอตตะนั่นแหละส่วนสมาธินี่ก็คืออะไรก็คือรูปรูปฌานทั้งหลายรูปปาวจรฌาน4ี่ก็คือปฐมฌานทุทาาน ต, ติยฌานตติยฌานและจตุทฌานรวมทั้งหมดเรียกว่าจารณธรรมสิบห้ ทำทั้งส5้าอย่างเหล่านี้นี่แหละที่เป็นเหตุให้พระอริยสาวกประพฤติไปสู่อมตะนิพพานนนะไปสู่ทิฏอันไม่ตายคือพระนิพพานนั้นธรรมะสิบห้าข้อเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่นำบุคคลผู้ปฏิบัติตามไปสู่อมตะนิพพานเพราะทั้งสิบห้าข้อเหล่านี้เนี่ยนะศีล อินทรีสังวรโภชเนมัตันยุตาสามข้อนั้นก็คืออธิศีลสิกขาชาคริยานุโยกก็เป็นข้อปฏิบัติที่เกื้อกูลทั้งสิขาสาสัทธาหีริโอตปะก็เป็นอธิศีลสิกขาแม้แต่พระหูสัจจะด้วยวิริยะสติและก็ฌานสีนั้นก็เป็นอธิจิตสิกขาปัญญาก็คืออธิปัญญาสิกขา พันก็จารณาสิบห้าก็คือสิบขาสามถ้าย่อออกมาหรืออีกในหนึ่งก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละพันผู้ใดประพฤติในธรรมสิบห้าสิบห้าหกข้อเหล่านี้ย่อมไปสู่อ ม, มะตะทิศทิศอันไม่ตาย น, น, นะนะเรียกว่ามีอ ม, มะตะเป็นที่สุดอย่างลงสู่อ ม, มะตะเพราะว่าจารณาสิบห้าก็คือสมถะและวิปัสสนาก็คือคุณเครื่องดําเนินไปสู่พระนิพพานอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ใน เสขะปฏิปทาสูตรเนี่ยนะที่พระองค์ใช้ให้พระอานนุ์แสดงว่าดูก่อนมหานามะเนี่ยนะอริยส า, าวกในาศาสนานี้เป็นผู้มีศีลอินทร์สังวโรโภชเนมตันยุตาชาคริยานุโยกเป็นต้นเนี่ยนะที่ในเสขะปฏิปทาสูตรมัชมนิกายมัชมะปัญ น, นาตวิชาด้วยจารณะด้วยทั้งวิชาและจารณะชื่อว่าวิชาจารณะวิชาและจารณะของผู้ใดพรั่งพร้อม พร้อมแล้วบริบูรณ์แล้วผู้นั้นชื่อว่าผู้มีวิชาและจารณะถึงพร้อมผู้ที่มีวิชาและจารณะถึงพร้อมคือใครพระผู้เจ้าใช่ไหมพระผู้เจ้าพูดถึงพร้อมผู้พรั่งพร้อมผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยวิชาและจารณะทั้งหลายเชื่อว่าผู้มีวิชาและจารณะอันถึงพร้อมแล้วโปร่งผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะพันถ้าจะกล่าวในแง่ในด้านความรู้พระพผูธเจ้าก็เป็นผู้ที่ สมบูรณ์ด้วยความรู้ถ้าจะกล่าวในด้านความประพฤติพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความประพฤติ <historical> <aru> ในหมู่มนุษย์เนี่ยนะชนเหล่าใดาผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะชนเหล่านั้นประเสริฐที่สุดผู้ที่ประเสริฐที่สุดคือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะถ้ามีแต่วิชาขาดจารณะก็ไม่งามถ้าหากว่ามีแต่จารณะขาดปัญญาก็ไปไม่รอดเนี่ยนะพันวิชาและจารณะเนี่ยเป็นเหตุให ผู้เพียรพร้อมสมบูรณ์ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัตินำไปสู่อมตะนิพพานซึ่งวิชาและจารณะเหล่านี้มีอยู่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสวดสรรเสริญยกย่องกันเสมอว่าวิชาจารณะสัมปันโนเนี่ยนะในอิติปิโสนะวิชาจารณะสัมปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะซึ่งตรงนี้จะไม่ขยายรายละเอียดของวิชาทั้งหมดแล้วก็ จารณะทั้งหมดโดยพิสดารเนยนะไม่งั้นก็พุทธวงศ์ไม่จบแน่แต่ให้รู้เถอะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาสามวิชา8ดสมบูรณ์ด้วยจารณะทั้งส5เพราะฉะนั้นในด้านความรู้ความประพฤติของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าขาดตกบกพร่องเลยนะพระองค์นั้นชื่อว่าตาทิโนผู้คงที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้คงที่ คำว่าคงที่ในที่นี้เนี่ยแปลว่าไม่มีใครทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยฟูลำพองด้วยมานะมาได้ไม่มีสิ่งใดทําให้พระพุทธเจ้ามีจิตใจห่อเหี่ยวได้ะนะพระองค์จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่คงที่เขาบอกว่าถ้าจะฟูโดยมากจะฟูด้วยโลภะถ้าจะห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวด้วยโทสะไม่มีผู้ใดทําให้พระพุทธเจ้าเกิดโลภะและโทสะได้จึงชื่อว่าเป็นผู้คงที่ งั้นเอาอิทธารมไปล่อสิเอาอนิถารมไปไปยั่วยุนให้โกรธเนี่ยนะไปยุไปแย่ให้พระองค์เสียใจเป็นต้นเนี่ยไม่มีหั้นพระองค์จึงเป็นผู้คงที่ทั้งในอิทธารมและอนิถารมอธิบายว่าผู้มีอาการโดยไม่ผิดปกติในอิทธารมและอนิถารมหพร่นอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามสำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีอาการที่ผิดปกติ ถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีอริยริษมีริษของพระริยเจ้าริษของพระริยเจ้ามีอะไรบ้างที่ทําให้เป็นผู้คงที่เนี่ยนะคนถ้าไม่คงที่ก็เนื่องจากว่าเจออิทธารมก็ชอบเจออนิถารมก็ก็ชังหรือก็โกรธเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ชอบและไม่ชังเพราะอะไรเพราะอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาพระองค์พิจารณาว่าปฏิกูลก็ได้ ค, คือสามารถจะมองว่าสิ่งนั้นน่ะน้ารังเกียจหน้าขยะขยงขนาดไหนก็ได้และสิ่งนั้นอ่ะพิจารณาตามเป็นจริงด้วยนะไม่ใช่สร้างเรื่องขึ้นแต่พระองค์สามารถมองเห็นอย่างนั้นได้เช่นว่ารูปายตนะที่ว่าสวยสดงดงามเหล่านั้นพระองค์สามารถพิจารณาว่าปฏิกูลก็ได้ปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันดานโดยโอกาสและโดยปริเชดจะด้านใดๆเง่มุมใดๆพระองค์ก็พิจารณาได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ พันะอิทธารมณ์ทั้งหลายพระองค์จะพิจารณาโดยความเป็นธาตุก็ได้พิจารณาโดยอสุภะก็ได้พิจารณาโดยอนิจจานุปัสนาเป็นต้นก็ได้สรุปว่าอารมณ์เหล่าใดบ้างที่พระองค์เจริญสมถะและวิปัสนาไม่ได้ทุกอารมณ์พระองค์เจริญสมถะและวิปัสนาได้นะนะพันธ์สมถะและวิปัสนาที่พระองค์ได้เจริญได้ในทุกอารมณ์นี่แหละทำให้พระองค์ถึงความเป็นผู้ คงที่คนที่ไม่คงที่ก็คืออะไรคนที่ไม่สามารถเจริญสมถะและวิปัสนาในอารมณ์ทั้งหลายได้เพระองนั้นเป็นผู้ที่เจริญทั้งสมถะและวิปัสนาทั้งในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่มีอารมณ์เหล่าใดที่จะยังใจของพระองค์ให้ผิดปกติเพราะสิ่งเหล่านั้นจะบอกว่าน่ารังเกียจเลวร้เลวซามขนาดไหนที่คน เรียว่าใครที่น่ารังเกียจขยะขยังขนาดไหนพระ อ, องค์เจริญเมตตากับเขาได้เขาจะเหี้ยมโหดโหดร้ายขนาดไหนเพชะฆาตมือเปื้อนเลือดขนาดไหนแล้วก็เอานิ้วนิ้วมือมาแขวนคอพระ อ, องค์ก็มีเมตตาดุจบุตรสุดที่รักเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็มีเมตตานั้นก็ว่วาอมองสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาว่าไม่ปฏิกูลด้วยอํานาจของเมตตก็ได้หรือพระ อ, องค์จะพิจารณา อารมณ์เหล่านั้นโดยธาตุก็ได้เนี่ยนะโดยปัทวีธาตุอาโปาธาตเตโชธาตวายโอธาต์สรุปว่าสามารถดํารงอยู่ในสมถะและวิปัสสนาในทุกอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์เหล่านั้นจะน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาอารมณ์เหล่านั้นที่คนจะเรียกว่าดีหรือเลวร้ายขนาดไหนพระองค์ก็ยังใจของพระองค์ให้ดํารงอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาหรือสามารถพิจารณาทุกอารมณ์แล้วเข้าพระสมาบัติได้ พองจึงเป็นเรียกว่าเป็นผู้คงที่